คนนั้นคนนี้ที่รู้จักก็แนะนํายกมือสร้างจังหวงนะเป็นวิธีการที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็อาศัยใบบุญหรือว่าอาศัยสถานที่ของทางวัดเป็นวัดหรือเป็นศูนย์ของพมา่านะก็ถือว่าท่านให้โอกาสนะสถานที่สัประระายีาน่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอยูนะ่เพราะว่าเราไม่มีวั ว่ารรมสัญจรจรไปทุกที่นะตรงไหนที่มีคนปฏิบัติถ้าไม่มีคนปฏิบัติก็ไม่จอไปถึงจะมีคนมากก็ตามนะเช่นคาสิโนอย่างเงี้ยไม่จอนไปนะงั้นเป็นเป็นอโคจรไปอีกนะอ่าช่ทีนี้จอมาเอาใบนี้แจกค่อยคุยทีหนึ่งนะ สำหรับทางพระก็มาตั้งแต่วันที่โน่ 28, น, นยี่สนะิบแปดนวานเนเนาะยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามายิบเก้าไปเช้าตีห้าคาว่าจะมีอะไรทําเยอะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แต่เป็นอาคารเลยไม่มีอะไรทําเท่าไหร่หรอกเห็นโยมอเปรีมมาให้คนมาจัดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ดีนะก็มาถึงก็แปลกยเยอะเห็นพระอยู่รูปเดียวทําไมบ้านสะอาดจังก็แปลกใจอยู่อก็ ดว่าให้คนมาทําความสะอาดได้รอแล้วอย่างหนึ่งก็คือสถานที่ต่างๆก็คือเขาทําความสะอาดได้เฉยนะสถานที่เขาไม่ได้จัดเขาไม่รู้จะจัดยังไงนั่นแหละเรามาแล้วก็จัดเอาโต๊ะเอาเก้าอี้อะไรต่างๆเอาอะไรออกไปให้มันให้เขาทีเขาทางให้มันกว้างขึ้นว่า ง, ง่ายนะอันนี้ก็จากนั้นก็ไปทําความสะอาดที่สวนส้มนะไปทําความสะอาดจัดปรุงสถานที่ใต้นะสวนส้ม ส่วนส้มเขาก็ไม่ได้ทานไม่ได้กินไม่ได้ขายอะไรแบบนั้นก็ปลูกประดับเฉยแบบนั้นโอ้โอะไรจ ะ, จะร น, น, นะเจริญขนาดนี้มนุษย์เรานะ ส, สงสารไม่รู้อร่อยนะอามาเขาทำน้ำรนบรรณโบวาณก็อร่อยดีนะเขาให้เขาให้เต็มที่แบบนั้นฐานได้เต็มที่ไม่ใช่มาเดินเดกลมไปก็แกะไปนั่งสมาธิไปก็แกะไปไม่ใช่งนั้นนะทานก็หมายถึงว่าเวลาพักนะเนะี่ยเราก็ทานกันได้ ทำน้ำปะนะแทนน้นําปนะได้ก็เมื่อวานนี้ก็ทําความสะอาดกันแล้วก็ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายมาถึงก็จัดการตกแต่งจัดเตรียมอะไรต่างๆไปเช้านี้ก็มาทําที่กลางเต็นกันนะพอดีคุณหม อ, อรวมเพมกับคุณหมอตํานงนะก็ไปเลื่มชื้อไม่ใช่ลืมหลอกนะึกไม่ออกจริงจริง สัญญาไม่เที่ยงจริงนะสัญญาเลนะก็มาช่วยกลางเต้นท์เอาผ้าอะไรมาปูจากนั้นโยมคนไหนที่มาแล้วขี้เกียจปฏิบัติก็นึกถึงพระหน่อก็แล้วกันทำํำสถานที่ไว้รอที่จริงไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่ามันเป็นบางครั้งที่ เ, เกิดมีนิวรณ์เข้าอะไรต่างกันเนายเอาสัหน่อยนั้นไม่ดีไหมอะไรต่างกันเนาะถ้าจะคิดอย่างนั้นก็นึกถึงเหงื่อของพระที่ตกลงมาแต่ละเม็ดก็แล้วกัน นะยากลำบากนะทําความสะอาดนะส่วนสม้มมินาซ้ำหลวงพ่อท่านเห็นว่ามันทึบมันหายใจไม่โลง่งไม่โปร่งนะท่านก็เอามียไปทิมไปตัดกิ่งตกแต่งกิ่งสม้มร่วงออกมาทั้งแห้งทั้งสดที่เจ้าวาดกันไปเห็นบอกไม่ได้นะอย่างนั้นะนะให้เจ้าของเขามาเห็นใบสม้มสดส ด, สดร่วงไม่ได้นะอนะนะที่ติดกิ่งต้องเก็บออกให้หมดนะนะพอดีวัด ก็ให้แม่สิกันเข้ามาจัดการออกไปหมดเกือบสองร <c oughs> ้อยพืทางเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าวาดไม่เจ่เจ้าของสวนเลยเขาให้เราใช้ได้ดีแล้วกันเราหยุดตัดแล้วก็เราก็ถือใจซื้อให้ความสะอาดนะก็ผ่านไปแล้วในสวนนั้นเมื่อเช้าตอนเย็นก็ทําความสะอาดทางจงกลมรอบนะทางจงกลมก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้นะถ้าเดินไม่ระวังก็ไม่เหมือนจงกลมบ้านเรานะ ตามร่องน้ําขึ้นลงขึ้นลงก็เดินระวังกันให้มีสนะตินะเต็มที่ฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นการมาเตรียมงานเต็นแรงต่างก็เรียบร้อยนะะถ้าใครเขาเ้าไปนั่งมันร้อนก็ออกจากเต็นมานั่งใต้ต้นไม้ที่มันเย็นๆน่อก็ได้นะไม่ใช่ว่าให้เข้าในเต็นเราเอาคันติบารมีไม่เอาคันติบาลมีก็ดีเต็ต้องมีปัญญาบาลมีด้วยนะอนะร้อนก็ร้อน คนเอาอยู่งั้นน่ะมันไม่สัพเยะมันได้อยู่เต็มไม่สัพยะทาให้เราเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วก็เกิดความงุดหยิดเกิดความลำคานเข้าไปมาก็นึกถึงบ้านในทีนี้นะมันก็ฝุ่งสั่นไปเรื่อยฉะนั้นก็อาศัยปัญญาวรลมีหลบหลีกมันด้วยพราะแดดมันส่องลงมามันไม่รู้ว่าเราร้อนหรอกนะเพราะมันไม่มีจิตมีใจมันก็ทําหน้าที่มันไปนั่นแหละ แต่เรารู้ว่าเราร้อนเราก็ค่อยหลบค่อยหลีคอ่อยอะไรที่หลบได้ก็หลบนะถ้าไม่ใช่ว่ามันมานะมันไม่มีบารมีไม่เกิด น, นะครับว่าต้องดูอีกทีหนึ่งนันมันนั่ น, น, นคืออะไรนะี่มันเยอะอยู่แล้วละ่ะเรื่องมันในสภาวะจิตใจเขาเราว่าทำมารมนะ่ะเราค่อยไปสู้กับตรงนั้นเอาไปดูแลตรงนั้นเอาเนะี่ยเวทนาเขาใช่มันแก่กล้ามากนะอันนี้ก็เป็นการ เกิดในสถานที่ฉะนั้นที่กิ่งแล้วงานเราก็เริ่มวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ค่อยทยอยกันมาอย่างนี้แต่ว่าเรานี่เรียว่าขยันเป็นห่วงหลายอย่างนะเพราะอะไรเพราะเกิดไปพรุ่งนี้แล้วสถานที่อะไรไม่พร้อมวันนี้ไปเตรียมสถานที่ดีกว่าโดยเฉพาะคนอยู่ซนเดโก้ไก่ญาติโยมที่เป็นคนลาวเราก็เป็นห่วงในการปฏิบัติสถานที่ก็ตั้งใจกันมาหลายนัย้นหลายคน ที่ยัาไม่มาก็มีมาหมดหรื อ, อยังนะเซนเตโกของเราอย่างใช่ไหมนั่นแหนะนนละก็มาอธิษฐานเรามาทําอานะเรามาแช่นไหนแล้วก็ดูความจําเป็นของเรานะพอถ้ามีพลังจริงกิ็กลับใไปได้ไม่ได้ฟิกอะไรนักหนาแต่ก็ในที่พออารมณ์อ ร, อรวยหรืออะไรที่จะอยู่ต่อคือถ้าเราตั้งใจว่าจะอยู่แค่ไหนเอาแค่ไหนให้มันได้ ไม่ใช่ว่านั่งปฏิบัติไปแล้วค่อยนึกค่อยค่อยนึกขึ้นได้นี่ก็มันไม่ใช่นะอันนั้นเขาเรียกว่าปริพเทอนะถ้ามีถ้าเราแผน ง, งานมาก่อนเออนเนี่ยเช่นวันอีกสองวันวันจะกลับไปก่อนจะมาใหม่หรืออะไรต่างพวนะี้อันนั้นเราต้องรีบแผนหรืมีจําเป็นจริงจริงไม่ใช่ว่านั่งยกมือสร้างใจว่าตั้งใจว่าจะมาสักเกือบวันสิบวันอยู่หรอกแต่พอปฏิบัติไปวันสองวันเกิดร้อนบ้างเกิดหิวบ้างนอนไม่เต็มที่บ้างอะไรต่างพวกนะี้นะกลับมาเกิด กระวนการวายใจคิดได้ว่าอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนั้นก็ยังไม่ทําคนนั้นจะมาหาคนนี้จะไปหาอะไรต่างๆมันนี้ก็เกิดเขาเรียกว่าปริพ o น์ h ถ้าปริโพชน์แล้วไปอยู่ไหนมันก็ไปไม่ได้นี่คปริโพ ooth ก็คือว่าสิ่งที่มันดึงมันชักมันจูงเราให้ติดอยู่กับหลักเขาเรียกว่าภาษาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าวัวพันหลักะไปไหนไม่ได้ติดมันดึงมันคล้องอยู่นั่นเอยิ่งคิดก็เหมือนกับเดินรอบหลักใช่ไหมยก็เห็นวัวติดหลักไหม ยิ่งคิดยิ่งออกจากหลักไม่ได้ยิ่งคิดมันก็เหมือนสั้นเข้าสั้นเข้าเชื่อกมันสั้นเข้าสุดท้ายสุดท้ายเขาเลยแต่จมูกติดขยับไม่ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยต้องอันนี้ให้ด้วยต้องพัฒนงานแล้วก็อย่าให้เกิดปริโภคนะอันนี้ก็พูดให้ฟังในส่วนผู้ที่ยังอินเียอ่อนแอหรือผู้ที่ยังสงสัยลังเลใจอยู่นะแล้วก็สําหรับ อ่าสเกจเจอขอเรานี่ก็ดูหน้าหน้าสองก่อนนะหน้าสองก่อนให้ฉายม้วนสองซะก่อนอ่าอาจมาอ่านดูเีหนึ่งนะแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างเนะี่หละครดูด้วยกันหน้าสองนี่รู้สึกว่าอันนี้อ๋อมันตอนบ่ายแล้วนะเนี่ยเกินเวลาไปแล้วนั่งนั่หนึ่งดีกว่าก็ไปมาต้องเริ่มจากตอนเช้า กฎนะระเบียบนะในเกตวันนีนะ้ที่มาปฏิบัติกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเทรนอยู่ตรงนี้ก็โนเทลโฟนคงจะไม่ให้มีโทรศัพท์ใช้นเลยนะคงจะเป็นการยึดหรือเปล่าหลวงพ่อท่านจะยึดนะนะนะคือไม่ได้ยึดหรอกนะขอร้องให้อมารวมกันไะว้นะนะ ปิดเครื่องท่านกลัวแบตจะหมดนะท่านก็ปิดปิดเครื่องแล้วก็เอามารวมกันไว้นะถ้าไม่ปิดเครื่องแล้วก็ดังพร้อมกันอยู่เต็มถาดแล้วก็มันก็ทายปิดเครื่องแล้วก็เอามาเอาไว้ให้ท่านท่านไม่ใช้นะตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ถ้าจําเป็นจริงๆนะะตัวทายเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆนะค่อยเอาไปใช้ได้นะ ข้อสองนี่คอนเวอร์ชชันคืออะไรเนี่ยใพ้เอาจูเนียเอาโจดีกว่าแปลฟังแล้วจูเนี่ยโจคือไม่ใช่อะไรเราไปอ่านไปอาจารย์ฟังเฉยๆมาแปลอาจารย์ฟังไม่ได้แปลไม่ได้แปลให้โยมฟังเพราะโยมเขาแปลกันได้หมดแล้วออามาที่นี่เลยมาแปลอาจารย์ฟัง ก็ข้อ2อนะครับข้อ2ก็ห้ามพูดคุยกันเสียงดังที่อาจจะทำให้ดิสกัดก็คือทำให้เกิดทำให้คนอื่นขาดสมาธิอย่างเงี้ยครับส่วนข้อ3 no conversational topics irrelevant to the okay ก็คือบทสนทนาที่เราจะคุยกันสามารถคุยกันได้ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็กไม่ควรพูดคุยกันนะครับ ส่วนข้อสี no l e v i n g the training area โอเคถ้าเกิดว่าห้ามออกจากบริเวณการปฏิบัติโดยถ้าไม่ได้รับอนุญาต without permission นะข้อ5 wear appropriate clothing ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้คือเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ข้อ6 no cigarettes ก็คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามดืม่มแอลกอฮอล์แล้วก็นักนติดนักติดนี่น่าจะเป็นเรืเ่องเกี่ยวกับ บุหรี่หล้ใครอายาเสพติด <laughs> including coffee แกาแฟก็ห้ามนะครับส่วนใครที่ติดกาแฟก็ห้ามดูกาแฟ <laughs> อ่าข้อเจ็ receive the relevant trainers teaching ก็ให้ฟังการสอนจากพระอาจารย์ด้วยความเคารพบ respectful อ๋อแล้วก็ ตารางสเกจเจอการปฏิบัตินะครับช่วงเช้าก็ตีสี่เราก็จะตื่นแล้วก็อาบแต่งฟันอะไรล้างหน้าตีสี่ครึ่งก็มาโยคะน่าจะเป็นที่นี่ใช่ไหมครับโยคะที่นี่นะครับโยคะแล้วก็ตีห้าก็ทำวัดเช้า o r n i n g ่ h ช n t i n g แล้วก็ตีห้าครึ่งก็มีการบรรยายธรรมนะครับการมา l e คเชอรแล้วก็เจ็ดโมงเช้าก็เป็นเวลาอาหารเช้า แล้วก็แปดโมงก็มีการเดินจงกรมร่วมกันนะครับ walking meditation แล้วก็ข้อเก้าก็คือปฏิบัติในเต็นท์นะครับแต่ละฝนก็จะมีเราจะพูดถึงเต็นท์หรือไม่พูดไหมหรืยัไม่พูดครับอ๋อโอเคแล้วก็ข้อสิบเอ็ดก็ chanting ceremony มีการสืบนาิกาครับก็มีการมาประชุมกันเพื่อ สวดมนแล้วครับ bless ing, bless, ceremony, Blessing, c e r e m o n เรมอนี่บริสิงแช่งติ้งสวดมนกลุ่มก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้านะครับ ว, ว้พยภาพรวมกัน อ, อ๋อพอว่ายภาพรวมกันนะครับออ11บเอเอ็ดเอ็ดเย็แล้วก็11 15, ็ดเ1็ดสิบเอ็งาก็ังเพนก็คืออาหารทั้งวันนะครับแล้วก็เที่ยงก็จะมีการพักผ่อน rest and private time แล้วก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ตอนบ่ายโมงนะครับเป็น m i n d f u l s i t t i n g in the room ก็มีการปฏิบัติร่วมกันตอนบายโมงนะครับแล้วก็บ่ายสองก็จะมีการปฏิบัติแยกออกไปเป็น private walking and sitting meditation แล้วก็สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นก็เป็นเวลาอาบน้ำนะครับห้าโมงครึ่งก็จะรับน้ำปา น, นะแล้วก็หกโมงก็จะมา relax แล้วก็ ฟังวิดีโอเทปนะครับแล้วก็เจ็ดโมงก็ทุ่มหนึ่งเซต n เพียงทำวัดเย็นเจ็ดโมงครึ่งก็มีการบรรยายธรรมแปดโมงครึ่งก็จะเป็น Meditation แล้วก็เตรียมตัวเข้านอนตอนสามทุ่มนายเพียงตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับ a c t i v i t y s sometime maybe modified as appropriate แล้วก็ในการปฏิบัติถ้าจะให้ผลสำเร็จได้เร็วนะครับข้อที่หนึ่ง attention คือมีความตั้งใจข้อที่สอง determination ก็คือมีความมุ่งมั่นข้อสาม persistence ก็คือมีวิทยาก็คือความเพียรที่จะปฏิบัติต่อเ น, นื่องและข้อสี่ correctness ก็คือต้องมีความถูกต้องในการปฏิบตัติอ่าอันนี้ก็เคลียร์นะใจส่วนตอนที่ มาสงสัยข้อหนึ่งแต่คือสิบเอ็นดนากาเนี่ยให้เรามารวมกันรวมกันเพื่อที่จะเพื่อปฏิบททัติธรรมร่วมกันนี่แหละในศาลานะรวมกันสวดมนต์ไหว้พระพอเป็นพิธีแล้วปฏิบททัติธรรมร่วมกันจนกว่าจะได้เวลาอาหารเสรียงสัญญาณรับอาหารพร้อมนะก็จะได้นะรับประทานอาหารด้วยกันสําหรับเวลานั้นนะอย่างเช่นอ่า ตีสี่อย่างเงี้ยนะตีสี่คนที่ตื่นบางคนที่ตื่นก่อนก็มีนะบางคนตื่นก่อนก็อ่าลุกออกมาเดินจงกรมหรือทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินปฏิบัติทํารอก็ได้นะเพราะว่าสถานที่ข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นที่ดีตอนเช้าเดินจงกรมก็ได้นะนะเพราะว่าคนบางคนนอนน้อยนะไม่ใช่ว่าไม่ง่วงนะคือนอนหลับจนคืนนอนเต็มที่แล้วมันตื่นขึ้นมาหนึ่งแล้วกนะ็นะนะนะ ไม่ได้แสวงหาความสุขจากการหลับนอนดีก็มาประพฤติปฏิบัติทำความเพียรยิ่งสงัดดีนะช่วงตอนเช้าอากาศยิ่งสงัดแล้วก็ทำได้มากขึ้นจิตใจก็สํารวมได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะตามันไม่มันยังไม่เลยไปไกลนะมันตามันมันมืดอยู่นะแล้วก็เวลาตีสี่เครื่องเหลือคือก็มารวมกันนะาหลังจาก ผู้ตื่นก็ตื่นตีสีมาทำพระที่ส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาหลวจพ่อจ ะ, จะพาทำโยคะมาทำโยคะด้วยกันนี่แหละเพื่อที่จะวอมร่างกายให้มันแข็งแรงนะสู้กับบุษักนีวอรต่อไปตีห้าเราก็สวดมน์ น, นะาตามตารางนั้นนั่นก็ได้แจ้งไว้เพียงเท่านี้นะใครมีสงสัยอะไรก็คอยถามหรือนะดูใน คนี้แหละในโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบในเชิงคัดนะเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีกฎระเบียบนะแต่เอาถ้าเรามีธรรมะเป็นกฎระเบียบจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้โดยเฉพาะที่ประพุทธปฏิบัติสํารวมได้ดีเนี่ยนะคือเอากฎระเบียบตัวนี้ให้เกิดความพร้อมนะไม่ใช่ว่าฉันปฏิบัติเต็มที่อยู่คนเดียวในป่าไม่มาสวดมนต์ก็ได้เพราะมันะขามาเขาทา่าเกิดอันตรายไม่ยอะมีเลย เออกินได้เพราะเปนยากินยานได้ครับมันเป็นโรคเบาหวานเขาแลกกินได้พราะว่ายังแล้วแต่โรคเราไม่ใช่อ๋ อ, อลอมึงปฏิบัติแล้วยมันหายบอรนะ์ตัวโรคไงยมันหายเบตนะเก็ยบไบอโรคนะอืมอือาแต่ น, น, นอกต้องมีมีกฎระเบียบนะโดยพะพวก สิ่งเสียบทิดง่วงนอนห้าวนอนหน่อยจะพ่ชงกาแฟดื่มนี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะธรรมะไม่เกิดต้องให้มันธรรมะมันเกิดให้มันเห็นทุกข์นะเพราะว่าเราจะไปกระตุ้นมันไว้มีกระตุ้นทางร่างกายได้อย่าเอาตัวช่วยเดี๋ยวสารสิ่ง ท, ที่กระตุ้นต่อร่างกายหรือไปดื่ไปกินอะไรต่างพวกนี้ยง่วงมากๆแล้วจะอาบ น, าน้ำนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิ่งง่วงมากให้มันหายสั่งซะก่อน ล้างหน้าได้ต่อสู่องค์จริงบางคนก็หาวสองสามครั้งก็ไปอาบน้ยานมาแบัติอีกก็หาวทําเป็น ง, ง่วงก็ไปอาบน้ําอีกอยู่เงี้ยมันเป็นไหนสักทีมันต้องเล่าวว่าถ้าคนไม่มีสมาธิจะไม่ง่วงนอนนะถ้าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มสงบแล้วมันจะเริ่มง่วงขันแรก่ะดานแรกเลยถ้าไม่มีสมาธิบางคนไปเดืนไปเล่นไปอะไรต่างไม่ง่วงท้กวันก็ไม่ง่วงแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ถึงสามสิบนาทีเขาเริ่มหาวเริ่มเลย มันเริ่มเป็นสมาธิแตนะ่มันเริ่มเข้าทางมันเริ่มเข้ารูปข้อรอยนะอันนี้ก็ค่อยว่า ก, กันไปแต่ละอย่างเรื่องนิวอนนะแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็มาให้มีของบุหรี่อะไรต่างๆไม่มีใครติดหรอเนาะนะถ้าติดก็ค่อยลดละแนละ้วค่อยเลิกเพราะบางคนก็ติดจริงๆนะอันนี้หลวพ่อจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เข้ากราฟได้หมดก็ ก็เราที่นี้เป็นที่สำคัญนะเพราะว่านี่ที่ช่งสุดท้ายของเที่ยวที่มามาเมกาเที่ยวนี้ทิธที่แรกก็ตั้งแต่เฟสโน่เลยมาจนถึงรี่ที่นี้ก็หลังจากทอดกระินที่วัดป่าก็หงจะได้หาลกลับไปพอที่ต่อไปต่อที่อินโดนีเซียเดือนมิจิกา พิจิกาทันวาเขาเข้าจีนก็เลยว่าเดี๋ยวนี้คนเขาต้องการศึกษาปฏิบัติวิธีการนี้นมาแต่ว่าเราขาดพระที่จะพูดจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ไม่ง่ายเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ ก, ก็เริ่มเจ็บป่วยลมหายใจจากไปนที่อยู่ก็ รุ่นใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าปัญหาเยอะก <c oughs> ็มีเวลาปฏิบัติอารมณ์กรรมฐานไม่หนักแน่นก็สื่อความหมายยากโดยเฉพาะวิธีการของพ่อเทียดูมันง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราติดของเก่ากันเยอะของเก่านี่ยังสำคัญเฉพาะเรื่องง่วงเรงหลับตาเรื่องนั่งสมาธิก็สดัด ก, กันยากแล้ว แต่ว่าเอื้วิธีการของวเทียนมันตรงกันข้ามหมดต้องลืมตาต้องนั่งเคลื่อนไหวไม่ใช้สมาธิจะใช้สติอย่างเงี่ยซึ่งมันก็ไปกระทบกับของเก่าของเรามากแต่เวลาคนไหน <c oughs> ผ่านได้เร็วนะผ่านผ่านได้ความง่วงเด้เร็วผ่านความหลับความซึมความสงบได้เร็วก็ไปได้ไวถ้าว่าไปได้ไวกิจกรรมันเข้มแข็ง แล้วก็ตั้งรับต่อสู้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ถ้าหากว่าติดสงบติดง่วงติดสุขอยู่ก็ล้วก็หนีปัญหาแล้วกระลงปัญหาทุกเย่ไม่หม ด, ดทันทีเพราะฉะนั้นางานนี้ก็คงจะต้องอลงทุนกันหน่อยนะฮะเพราะว่าลงทุนหมายถึงว่าอาจจะไม่า เอือ่เฟือต่อกิเลสง่าหมบอว่าเราต้องใช้เวลาต่อสู้กับ ต, ตัวเองดังนั้นก็เลยไปจัดที่ข้างในซึ่งพระเราก็ทำงานแสงวันมือวานก็เรียกว่าตัดแต่งต้นไม้ที่มันกิ่งก้านสาขาแล้วมันดุล่ลังดุ่มางก็ไม่ได้ตัดแต่งมาหลายปีแล้วมาทำกันเมื่อวานวันนี้ก็มาทำกางเต็น เพื่อทีให้โยมมีเวลาได้ปฏิบัติเต็มที่เพราะประสบการณ์คราวที่แล้วที่ฟิสโนเนี่ยได้อารม์กันดีมากๆแต่ที่จะเท่นี้จะเสียเปลียนฟิสโนก็คือว่าอากาศไม่เอือ้อตอนที่ฟิสโนอากาศมันเย็ น, นก็พอสบายสบา ย, บายกลางวันก็ไม่ร้อนแต่ที่นี้กลางวันมันค่อนร้อนหนยเก้าสิบเก้าสิบฟาขึ้นแต่ฟิสโนตอนนั้นก็เจ็ดสิบหรือแปดสิบก็กำลังสบายที่นี่ 90, inh, 80, 90้้9 0ขึ้นก็คงจะดูความเหมาะสมเ็ลาจัดเวลาวาช่วงเช้าถึงเพลนอาจจะได้ปฏิบัติในส่วนส่งในช่วงบ่ายปฏิบัติที่นี่เพราะว่าช่วงบ่ายร้อนช่วงเย็นก่อนที่เราจะเข้ามาทำวัดโมนก็อาจจะได้อีก ช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ช่วงตีสีเนี่ยมาว่าจะเปิดโยคะไปเรื่อยๆคนไหนมาทันช่วงไหนก็เอาช่วงนั้นเพราะว่าเพื่อจะได้คนจริงเนี่ยช่วงของโยคะมันชั่วโมงตีสี่ถึงตีห้าแต่ถ้าคนไหนตื่นก่อนตีสีเนี่ยก็ได้ทําเต็มที่ชั่วโมงแต่คนไหนตื่นหลังตีสีก็อาจจะได้ไม่ครบได้ช่วงไหนก็เอาช่วงนั้นแต่เพื่อจะเอื้อเฟื้อสําหรับคนตื่นมาทันเพราะว่าใน แต่ระยะเวลนของโยค้านี่ก็ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าไปสีส่สี่ครึ่งแล้วก็จะครึ่งชั่วโมงเขาเรียกมาฟูโยคะตนี้เพื่อที่จะเป็นการปรับร่างกายให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับนิวรนต่างๆแล้วก็ใช้โยคะบางท่าบางจังหวะมาแก้นิวรนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ การจัดยืดิีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเป็นเฮลที่ยืทชีดที่จัดแล้วทำแล้ ว, วรู้สึกร่างกายก็เข้มแข็งจิตใจก็เข้มแข็งก็เลยว่าต้องมีหมายฟุญโยคะด้วย m มา o ฟุญโยค Exercise าออกกำลังโดยการทำโยคะอย่างมีสติซึ่งก็มีหลายชุดนะชุดของหมอเขียวหมอแพทยพงชุดของอหมออัญชุมา ชุดของอของฝรัง่งก็มีแต่ว่าดูก่อนว่ายมรับได้ชุดไหนก็จะเอาชุดนั้นเป็นประจํานะแล้วก็ที่สาคัญก็คือเต็น์นะซึ่งผู้นี้จะชี้แจงเรื่องเต็นท์ถ้ามาครบๆ ก, ก่อนนะเพราะว่าการใช้เต็นท์ใช้อย่างไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะเขียนป้ายไว้ทั้งสองอย่างที่ข้างหน้าว่ามี คำว่าจองแล้วคำว่าอย่างว่างเขา a v a เลเวอเกับรีเ e ฟ v อาเลเวอเรกสองอันเนี่ยถ้าคนไหนเข้าไปอยู่ข้างในเข้มาเขาว่าเอาป้ายเอาเลเวอเออกเขามาเขาว่าเหลือแต่ป้ายจองแล้วก็คนที่มาทีหลังก็ไม่ได้เข้าไปจองมีสองป้ายผู้นี้จะชี้แจงในรายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ก็ขออนมูทนายมคุหมอจมลงกับหมอเปลมเดิมาช่วยการเต้น ตลอดตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นนะตอนนี้เพื่อที่ให้มีเวลาเป็นของตัวเองสำหรับผู้ที่ตั้งใจก็จะพยายามให้มีเวลาได้ปฏิบัติได้มากที่สุดช่วงพักก็จะมีช่วงาทานอาหารเจ็ดโมงถึงแปดมงเช้าช่วงเที่ยงก็จะประมาณเที่ยงถึงใบมง ช่วงค่ำก็จะสี่โมงถึงห้าโมงนอนนั้นกคตลอดนะะถ้าได้พักจริงก็พักช่วงพักทำธุระจะช่วงชั่วโมงเช้าชั่วโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเพลินแโมงถึงเที่ยงถึงแโมงแล้วก็ตอนเย็นก็สี่โมงห้าโมงจะไปอาบน้ำแต่ไม่เอาหกโมงนะหกโมงเป็นเวลากำลังเหมาะที่จะนั่งปฏิบัติข้างนอกหรือเข้าไปเดินในสวน กลับมาอะไรอย่างนั้นก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็มีเวลาปฏิบัติให้มากที่สุดช่วงศึกษาธรรมก็จะมีช่วงเช้าที่าที่ห้าครึ่งถึง7จ็ดโมงช่วงกลางวันช่วงที่เราทานอาหารก็ได้ฟังเท ฟ, งฟังวิดีโอไปด้วยทานอาหารไปด้วยแล้วก็ศึกษาธรรมไปด้วยช่วงเย็นก็จะมีช่วงถึงสองทุ่ม ทุ่มพึ่งถึงสามทุ่มช่วงนั้นสาธธรรมก็เที่ยวนี้อาจจะเป็นการสลับการสนทนาธรรมกันบางทีเราฟังศึกษาไปฟังคนเดียวนี่เราอาจจะเกิดความไม่ชัดเจนในประเด็นที่ต้องการแต่ถ้ามีการศึกษาการไต่ถามสถามที่ประเด็นที่เราต้องการมันก็จะไม่นอกเรื่องมากนะักแต่ถ้าหากว่าเรา พูดอยู่คนเดียวคุทิมก็ไปเรื่องที่อยูมฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าพูดสองคนนี่ก็องค์หนึ่งก็เป็นถามองถามเจาะประเด็นที่เราต้องการจะปฏิบัติองหนึ่งแก้ไขไปหรืออย่าอยู่องไหนที่มีข้อสงสัยในช่วงนั้นก็สามารถถามเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในยุทธทีดนี้ก็จะเจาะเฉพาะเรื่องที่เราทําเรื่องอื่นก็คงจะตัดออกไปเพื่อที่จะให้มีเวลาทําจริงๆ คือให้อยู่กับตัวเองจริงๆ่ากันเถิดสาหรับพระเราก็เป็นสองช่วงช่วงตั้งแต่วันนี้ไปถึงช่วงวันที่สี่เนี่ยชุดหนึ่งวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดที่แปดอีกชุดหนึ่งก็เปลี่ยนกันนะซึ่งยาหยมก็ในคืนนี้ก็นอนยังไงก็นอนก่อนนะแต่ยังไม่ได้จัดที่พรุ่งนี้ถ้ามากันพร้อมแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งว่าใครจะอยูย่ตรงไหนซึ่งก็ใน อ่าสําหรับโยมอุบายศุอยู่อยู่ฟากทางนี้ศนะีกากับฟากทางนั้นทั้งหมดมซึ่งก็มีเตียงก็มีที่ไม่มีเตีย ง, งก็มีแต่ความจริงมันก็มีเตียงหมดอนะแต่ว่าดูแล้วมันเกิดกาที่ก็แล้วตเตียงออกก็ผ้าปูพื้นน่าจะง่ายกว่านะสําหรับอืมแอร์หรือพัดลมดูว่าทางเจ้าของสถานที่เขาจัดให้อย่างไร ส่วนที่ก็หลายอย่างนะที่เรแจ้งกันต่อไปเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆซึ่งผู้นี้เขาแจงกันเดี๋ยวเราแจ้งตอนนี้เดี๋ยวช้ำสอนกันนะเสียเวลานะ <c oughs> นั้นก็ขอแจ้งให้ทราบว่าิธี่นี้เป็นิที่ที่เข้มข้นเอางั้นเถอะแต่หากว่าคนไหนไม่เจ็บไม่ป่วยในะนี้ก็เรียกว่าทําเต็มที่ เพราว่าเรามีบริเวณกว้างขวางพอที่จะผ่อนคลายไม่ถึงกับเครียดเกินไปเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะให้ตื่นตัวมากที่สุดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เน้นที่จะไปนั่งสมาธิมันเดิมแต่มันก็อดไม่ได้เราทําไปเดี๋ยวมันก็ง่วงก็ถือโอกาสนั่งสมาธิก็เป็นธรรมดานะมีกันถ้าทุกคนแหละ เพราะว่ามันเป็นกําลังอะไรอย่านนงเ น, นะตัวนิวรณเนี่ยได้หยิบนิดนึงได้นั่งสงบนิดนึงก็รู้สึกชื่นใจมันมันเป็นของติดอะเป็นของสแสลงเป็นยาเสพติดมางั้นเถอะเพราะนั้นก็เลยว่ากวรจะทิ้งยาเสพติดนี้ได้ก็ใช้เวลานานอยู่บางคนก็ทิ้งไม่ได้เลยยาเสพติดข้างนอกนี่ถือว่า พอทิ้งได้นะแต่ยาเสพติดภายในคือตัวสุขสงบตัวสมาธิแบบส่งเสริมกิเลสอะ่ะตัวนั้นอกอ็เรียกยาเสพติดภายในซึ่งทุกคนก็ชอบนะนักปฏิบัติสําหรับนักปฏิบัติเพราะในหลักนั้นบอกว่าตัวสมาธิคือความสงบไม่ต้องรับรู้อะไรเนี่ยเป็นความสุขอันสูงสุดของชีวิตแบบ โลกิยวิสัยนะฮะโลกิยวิสัยนี่หมายความว่าคนเมื่อมันเสวยกาเมสุขจนถึงที่สุดแล้วไม่มีทางออกก็หันมาสวยกาเมสุขทางจิตก็คือสมาธิที่ละเอียดเนี่ยเป็นกาเมสุขทางจิตเรียกว่าปัญญาเศติต์กามสุขที่เกิดจากอายตนะเนี่ยเมื่อได้รับทุกข์รับโทษถึงที่สุดแล้วมันก็เบือ่อพอเบื่อแล้หันมาทางกามสุ ข, ขัละเอียดคือเกิดการเสีสมาธิ ยังติดหนักเข้าไปดันต้องใช้เวลานานกว่าจะเลิกได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเป็นสุขทีมีเหยื่ออาศัยเหยื่อแต่สุขอันหนึ่งที่ไม่มีเหยื่อก็คือสุขที่มันเป็นเองมันมีเองซึ่งนั้นต้องใช้ปัญญาเพราะฉนั้นเรามาเจริญนี้เราไม่ใช้มามาเจริญสมาธินะมาเจริญปัญญาเพราะเราใช้ตัวตื่นรู้เป็นตัวเหตุ ปัจจัยของมันแต่ตัวสมาธิก็ใช้ตัวสงบบังคับจิตสะกดจิตเป็นตัวเหตุของมันแต่เราจะทําให้น้อยในจุดนั้นแต่ทำให้การตื่นรู้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สุกสงบ ก, ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเกิดตัวรู้ตื่นเพราะมันจะทําให้จิตให้เข้มแข็งอถ้าเหมือนกับในช่างที่เขาจะ ท, ทํามีดทาพระให้มันเข้มแข็งเลยนะเขาจะเอาเหล็กดิบๆมาตีเป็นมีดเลยเนี่ยนะ ไม่ได้พอไปฟันเมื่อกี้ทีก็บินก็บานก็เบี้ยวล่ะเหล็กมนอ่อนต้องไปผ่านไฟผ่านไฟที่อุณหภูมิสูงมันถึงจะแข็งจิตของเราเหมือนกันนะถ้าจิตธรรมดาที่สเสวยกรรมมสุขอย่างนี้เอาไปฝึกให้มันเกิดปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่สามารถจะไปห้ามหันกับอวิชชาได้มันบินมันบานต้องเอาจิตธรรมดานี้มาชุบ ชุบด้วยกรรมฐาน <susp. S 1> ชุก ต, บบ ต, pepper, ตัวบัตรตัวบัตรตัวอาตมาปีตัวนี้ก็จะทำให้จิตของเราร้อนแรงแล้วก็ทําลายสนิมจิตได้สนิมจิตคืออะไรกิเลสนะ <power? S 1> กิเลสคือความบกั้งเป็นทําเครื่องเผาสนิมของจิ <paints. S 1> ตเพราะในขณที่เรามานั่งยก <c oughs> มือนั่งเคลื่อนไหวโดยจุกมมทําความรู้สึกต่อหนึ่งนี่คือการเพิ่ม ความร้อนแรงให้กับจิตนะ้เราไม่ได้ทําเพื่อแสวงหาสุขแต่แสวงหาการพ้นจากสุขพ้นจากทุกข์ไปเหนือสุขเหนือทุกข์แต่ใครเราจะไปได้เท่าไหร่ก็ใช้ความสามารถซึ่งไปได้เรื่อยๆทุกคนนะนะแต่ทําอย่างเข้าใจเท่านั้นเองดังนั้นในการที่พระธรรมมาคนนี้มาเพื่อให้ความเข้าใจแต่ไม่ได้มาให้สู่สําเร็จเหมือน อาหารกระป๋องนะอเนี่ยสูตรนี้เอาไปเอาเปกระป๋ปองถึงเวลาเปิดกินได้ไม่ใช่เงั้นแต่มาหนี้คือว่ามาบอกวิธีการปลูกต้นไม้นะ่ะไม่ใช่ให้ต้นไม้ให้ผลไม้กระป๋องไปทานแล้วก็จบ ก, กันพอหมดแล้วก็หมดกันไม่ใช่นง้ยแตว่วิธีปลูกต้นไม้ว่าเมือต้นไม้มันโตแล้วเป็นผลแล้วไปทําอะไรใบว่างนะมาบอกวิธีนั้น ซึ่งมันไม่ใช่สูตรสาเร็จรูปแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะนําไปสร้างสันต่อไปซึ่งจะยากจะง่ายก็ขาศึกษาไปแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะก็คงจะไม่ยากแต่สําหรับคนใหม่เนี่ยจะเน้นให้นั่งปฏิบัติลงกับที่ดี่แต่สําหรับคนมีประสบการณ์มาบ้างแล้วนี่ก็จะให้เน้นให้ปฏิบัติอยู่ข้างนอกซึ่งก็พระเราก็จะ อยู่ข้างนอกองคหนึ่งอยู่ข้างในองค์หนึ่งหรืออยู่ห้างในสององค์อข้างนอกองค์หนึ่งก็เป็นเพื่อนญาติโยูแก่ก็ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะอย่ไปคิดว่ามีปัญหานะเพราะว่าไม่ใช่บ้านเราที่เป็นที่เอามาเคยมาจัดครั้งหนึ่งมาสี่ห้าปีมาแล้วจัดที่ดี่ที่นี่ก็อ่าเท่านี้อด้วยความพร้อมเตียงา <c oughs> มีคุณหมอ เตรียมหมอมอจม่จงเป็นสถานหลักทั้งด้านเซเดโก้ทางด้านเกอเองด้า น, าานเซนิโก้ก็จะมียมเบย์บยูมริสาช่วยกันเปดฝ่ายครัวก็ให้เตราได้ทําเต็มที่ปัญหาก็คือเรื่องต้องการอยู่การกินการดับการนอนไม่ได้อย่างใจนะี่คือปัญหาทังนั้นแหละแต่ถ้สมมุติว่าเรามาว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้เ ป, นเป็นเครื่องเครื่องอาศัย ไม่ใช่เราจะมาเสวยความสุขความสบายไม่ใช่มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะหาความสุขความสบายความสะดวกที่นี่ก็จะมีปัญหาแหละเพราะไม่เหมือนบ้านเราแต่อาศัยคอยพุ่นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้มีเวลาปฏิบัติก็จะไม่มีปัญหานะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ถาวรฉะนั้นก็สถานที่อ ส่วนหนึ่งก็คือคนไหนต้องการ privately ก็นอนทั้งนอกไม่กลัวก็นอนได้ที<ม>่นี่ก็มีรั้รอบขอบชิดแต่เบื้องต้นนี่ก็เน้นให้ผู้ใหม่นั่งปฏิบัติอยู่ในอาคารไปส่วนใหญ่พอคนไหนผู้ใหม่ที่นั่งปฏิบัตินานๆตั้งใจได้อารมณ์แล้วก็จะเข้าให้ออกไปอยู่ข้างนอกบ่างก็ได้หรือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกว่านั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติไปคุยกันว่างหรือไป เรืเ่องอื่นว่างไม่ได้อารมณ์ก็จะเอาเข้ามานั่งข้างในหนกันแต่ว่าตามกติกานี่ไม่รู้จะทำกันได้ในข้อหนึ่งที่ว่า No telephone for duration of training Use the common phone if necessary. ก็ว่าใช้โทรศรัพท์ที่เขามีอยู่ในบ้านนี่นะโทรศัพท์ส่วนตัวของเราก็จะเก็บมารวมกันทำไมเตรียมขันเลยขนาดใหญ่เลยนี้เ่มาใส่โทรศรัพท์มือถือ <laughs> เรียมไว้ แต่หากว่ามีความจาเป็นก็มาขอใช้ที่นี่ใช้เสร็จแล้วก็เก็บมอาไว้ที่เดิมจะได้อยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาฝึกฝนพัฒนาตัวเองยู่ที่ผ่านมาที่ที่ได้ผลดีมากคือที่ไปจัดที่แวนคูเวอร์แคนาดาก็อยู่ประมาณสัก สลับกันเข้าจะเราประมาณสักามสิบเนี่ช่วงนั้นอากาศดีอากาศก็เรียกงก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวเรื่องดีฟ้าอากาศที่สําคัญต่อการปฏิบัติถ้าอากาศมันอับอ้าวเกินไปทําให้เราอึอาดอัดห ง, งุดหงิดหนักนุ่งทวงทับไม่ปโปรง่งอันนี้ก็ส่วนที่อากาศร้อนถ้าอากาศหนาวเกินไปก็ทําให้เราบีบคั้นจิตใจบีบคั้นร่างกายเวทนาแรง ก็ไม่ได้ค่อยได้ผลเหมือนกันดังนั้นก็แต่สำหรับผู้ที่จับเวทนาเป็นอากาศร้อนก็ได้อากาศนาก็ได้แต่คนใหม่ส่วนใหญ่ยังจับเวทนายังไม่เป็นหมายความว่าไปเอาความไม่สบายเป็นเราอยู่เนี่ยมันก็หนักตรงนั้นทุกขเวทนามันก็เลยบีบคั้นเราแต่คนที่มีประสบการณ์แล้วนี่ใช้ทุกขเวทนาเป็นไฟเพื่อที่จะแผดเผากิเลสอ่า กับว่าทุกขเวทนาแบบนั้นกลับเป็นประโยชน์เหมือนเราใช้ไฟของข้าวรุ้มแกงแต่คนที่ยังใช้ไฟไม่เป็นตัวไฟดูดนันไฟเผามือบ้างนีดัง น, นั้นตัวทุกขเวทนาเหมือนไฟตัวคิดอัดตัวหนักงงตัวหิวทุกขเวท น, นาทุกอย่างมันเหมือนไฟถ้าใช้เป็นเขาเรียกว่าตะบะหรืออาตากีถ้าใช้ไม่ไม่เป็นมันก็เป็นทุกถ้าใช้เป็นกลับเป็นตะบะเป็นเครื่องแผ่เผากิเล แต่ใช้ไม่เป็นมันกลับเป็นเพื่องแผลเผาร่างกายและจิตใจเราดังนั้นเองก็จึงอยากจะให้เหล่าทั้งหลายตั้งใจดีก็ไม่หนักหรอกงานวิปัสนาเป็นงานที่ได้บุญสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างที่ว่าทำวิปัสนาได้กุศล ส, สูงก็เพราะามันนำไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทางโลกแล้วได้ทรัพย์สมบัติ ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเพราะอะไรเพราะมันไปนแก้ปัญหาภายนอกได้แต่ในแง่ของทางทำแล้ววิปัสนาเป็นกุศล ส, ส, สูงสุดเพราะมันแก้ปัญหาภายในไดนะ้เพราะฉะนั้นเรามานีาก็เร็วมาหาสมบัติภายในสมบัติภายนอกนี่เราก็สัมผัสกันมาทุกคนนะมันก็แก้ได้แค่นั้นนะอันนั้นเองก็การมาหาสมบัติก็จะไม่ใช่เรื่องง่าย ก็พยายามนะนั้นในวันนี้เราเพิ่งมาพบกันก็ไปจัดที่อยู่ที่นอนพรุ่งนี้เช้าใครตื่นก่อนที่สี่ก็จะได้ทำโยคะทั้งชั่วโมงถ้าใครตื่นไม่ทันก็มาทำทีหลังก็ได้ <c oughs> แต่ว่าทุกคนพร้อมกันห้ามงเช้าวนนะ่ะเรื่องห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่างกับพรุ่งนี้คอยชี้แจงอีกทีหนึ่งนะ